คือศัพ์อภิชาเนี่ยครับเนี่ยผมลองอ่านให้ฟังนะครับนี่อยู่ในเทระคถานะครับอินทรีทั้งหลายมีจักสุเป็นต้นบุคคลใดไม่ปิดด้วยประตูคือสติย่อมเป็นไปเพื่อความจิบหายหแก่บุคคล น, นั้นโดยความเป็นประตูให้บาปธรรมมีอภิชาเป็นต้นนะครับ คำว่าทำไมจึงใช้คำศัพท์นี้เพราะว่าใช้อภิชาเป็นต้นนี่นะครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีจกักขุนจีสังวร น, นะครับจิตเป็นอกุศลนะเช่นในในที่นี้ก็ยกตัวอย่างว่ามีอภิชาเป็นต้นเนี่ยทำไมจึงไปเพ่งถึงกรรมบุเพราะว่าอภิชาเป็นเรื่องของเพ่งกรรมบทแต่ถ้าหากว่าดูแลวสวยๆงามๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้เป็นจกักขุนจีไม่มีไม่ได้สังวรถูกไหมฮะใช่ป่ะ อในสติปัฏฐานก็ใช้อภิช า, ากันนะครับทําไมกําจัดอภิชาและโทมาัะแล้วก็ในการสํารวมตาเป็นต้นเนี่ยนะก็คือใช้คําว่าอภิชาเหมือนกันคืออภิชากับโทมนัทถ้าอภิชาแล้วจะต่อด้วยโทมนัทครับพันเอศักดิ์คำว่าตันหาเนี่ ม, มีมีหลายเชื่อด้วยกันเนะนะ ในจิตตุปาทกันในอัธาศาลีนีนี่นะหรือว่าในธรรมสังคิณีกล่าวถึงชื่อของตันหาเอาไว้เยอะนั้นอีกชื่อหนึ่งของเขาก็คืออภิชาและก็ส่วนทั่วทั่วไปก็ใช้คำว่าอภิชาก็ค่อนข้างมากนะถ้าเป็นไปในทวารทั้งหกโดยมากใช้คำว่าอภิชา แต่ว่าอภิชานั้นถ้าครบองค์ก็ล่วงกรรมบทไปแต่ว่าอภิชาเกิดขึ้นที่ใดก็เรียกว่ากรรมบทหมดนะก็ชื่อว่าเป็นกรรมบทด้วยแต่ว่าจะครบองค์หรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าในขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นกรรมบทนะการที่เห็นสุพณนิมิตเนี่ยครับถือว่าีว่าาอมีอภิชาได้ไหมครับก็ในขณะนั้นมีอภิชาแล้ว ขณะที่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะก็เรียกว่าอภิชาหรือว่ า, าในสติปัฏฐานที่ว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอันนั้นก็ใช้อภิชาเหมือนกันเนี่ย น, นะก็คือเน้นคำว่าอภิชาก็คือการเข้าไปเพ่งเล็งนั่นเองเนี น, นะเข้าไปเพ่งเลง็งไปถือโดยสุภาพนิมิตในอารมณ์นั้นๆ แสดงว่าอภิชาในในขั้นศีลต่างๆนะครับเช่นในเจตสิกเป็นศีลนี่นะครับอภิชาตัวตัวตัวนั้นเนี่ยนะฮะแสดงว่าแสดงว่าแคบกว่าอภิชาตัวนี้เพราะอภิชาตัวนั้นเนี่ยเพ่งเล็งซึ่งโน้มที่จะมาเป็นของตนอย่างเนี้ยก็อันนั้นอภิชาที่ล่วงกรรมบดนะที่<ะ>ที่พร ก, การกล่าวถึงเน้นตัวล่วงกรรมบท แต่ว่าโลภะเกิดที่ใดก็ตามก็เรียกอภิชาหมด mm. อเมื่อเรียกอภิชาหมดเนี่ยนะถ้าเขาครอบองค์ก็เรียกว่าล่วงกรรมบทไปแต่ถ้าไม่ครอบองค์ยังไงก็ยังเป็นชื่อว่าเป็นกรรมบทด้วยมือนกันนไอย่างยกตัวอย่างว่าอนัพิชาอนัพิชาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เรียกว่ากุศลกรรมบทหมดเลยเห็นไหมก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรมบทหมดนะนนี้มันเป็นหลักโครงสร้างการขยายตามจิตตุปาทกาัน จริงก็ตัวเดียวกันนั่นเองแต่ว่าพระ อ, องค์นั้นแสดงโดยวัยพศเนี่ยนะต่างๆมากมายแล้วก็เมื่อวางวัยพ์หรือวางเทศนาแล้วก็จะได้ขยายเชื่อมในหลักการอื่นๆต่อไปเนี่ยนะในการวางรูปแบบศัพท์ไปแล้วเนี่ยจะเชื่อมไปหาหมวดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นศรัทธาใช่ไหมศรัทธาสัทธินีศรัทธาภละอย่างเงี้ยวางไว้แบบนี้ในจิตตุปาทกัน เสร็จแล้วก็ไปที่อื่นก็จะขยายตามหลักอันนั้นที่วางไว้ดังนั้นคําสอนจะจะไม่มีการขัดกันเนี่ยนะแล้วก็ไปดูโครงสร้างหลักในในธรรมสังคีนีเลยเนี่ยนะว่าในศับเนี่ยอย่างยกโลภะโลภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชไนงะอย่างเงี้ยก็อภิชาอะไรเงี้ยสับแสงต่างๆของโลภะก็มาเยอะแยะไปหมดเลยดงั้นอภิชาก็หนึ่งในศัพท์ของโลภะซึ่งโลภะก็มีหลายรูปแบบถูกไหมครับ แสดงว่าศัพท์ต่างๆในภาษาบาลีเนี่ยคงจะมีความหมายเฉพาะเฉพาะของของชนิดของโลภะนั้นใช่ไหมครับเธอตัวเดียวกันนั่นแหละแต่หลากหลายชื่อ<ม>นะนะอย่างยกตัวอย่างว่าอาวิชาอาวิชานุสัย<ม>อวิชาปริยุท ธ, ธานอาวิชาลังคีเนีย่ยนะลิมคืออวิชาเนี่ยนะหรือว่าอาวิโชคะเนีย่ยนะอวิชาโยคะเนีย่ยนะแล้วก็อวิชาสังโยชต อวิชาหรืออะไรก็อกุศ ล, ลมูลก็อันเดียวกันนั่นเองนอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าแสดงตามหมวดธรรมกลุ่มนี้ใช้ชื่อแบบนี้แสดงธรรมกับกลุ่มนี้ใช้ชื่อแบบนี้แต่ถ้าโดยความเข้าใจส่วนตัวนั้นสภาวะอันเดียวนั่นแหละก็เหมือนกับคนคนเดียวนะถ้าไปอยู่ร่วมกับเรื่องนี้เขาเรียกชื่อนี้ไปอยู่ร่วมกับกลุ่มนั้นเรียกชื่อนั้นไปแต่ก็คือตัวเดียวนั่นเอง อ่ น, นอวิชาอันเดียวนั่นแหละแต่ไปอยู่ร่วมกับกลุ่มอื่นๆก็จะเรียกชื่อตามตามกลุ่มนั้นๆไปเนี่นยซึ่งคนเดียวมีหลายชื่อก็ได้แล้วก็ทํางานหลายบทบาทหน้าที่ก็ได้แต่ก็สภาวะของเขาก็อันเดียวนั่นเองอ่าเช่นสมมุติว่าอ่าในที่นี้นะครับอินทรีย์ทั้งหลายมีจักสุเป็นต้นบุคคลใดไม่ปิดด้วยประตูคือสติย่อมเป็นไปเพื่อความจิดหาแก่บุคคลนั้นโดยความเป็นประตูให้บาปธรรมมีอภิชาเป็นต้น หมายความว่าถ้าหากว่าไม่สังวรแล้วทางตาแล้วนะครับสมมติจริงๆเนี่ยนะถ้าไม่ได้สังวรแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเห็นเห็นดอกไม้งามๆเจ็ดพันนี่อภิชาแล้วเป็นอภิชาแล้วถ้ายังไม่น้อมเข้ามาเออจะเป็นของเราด้วยทุจริตนี่ก็ถ้ายังไม่น้อมก็ยังไม่ครบองอยังไม่ครบองคื อ, อในขณะนั้นเนี่ยไม่ให้ปฏิสนธิในอบาย แต่ให้ผลในประวัติการแต่ให้ผลใน <c oughs> เจตนาที่เกิดร่วมกับอภิชาอ น, นั้นเนี่ยจะให้ผลได้ในประวัติการแต่ว่าถ้าไม่น้อมเข้ามาเป็นของตนเนี่ยนะ <c oughs> ขณะนั้นก็ไม่ครบองค์ซึ่งชาวนะอันนั้นยังไม่ให้ผลนำเกิดในอบายได้อ่าถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าอภิชาในเรื่องการเห็นภาพวิวสวยๆนี่นะครับนี่ก็เป็นอภิชานะครับกับเห็นภาพที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่า แล้วเราก็แล้วเราก็เกิดอภิชาเหมือนกันนะฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็อภิชาเหมือนกันแต่ดูแตกต่างกันมากเลยเนะดูลักษณะของแตกต่างกันมากเลยใช่หรือว่าดูลักษณะอาหารน่ารับทานเนี่ยมันก็แตกต่างกันมากเลยเนะหรือเกิดดูภาพงามๆของเพศตรงข้ามงามๆเนี่ยมันก็อภิชาก็คนละเรื่องเลยก็มันก็เรื่อาหมดก็เป็นอภิชาหมดเพราะนั้น ถ้ากล่าวอย่างนี้เนี่ยนะก็จะเห็นว่าโลภ้าเนี่ยรพระพุทธเจ้าแสดงแค่แปดวงใช่ไหมครับคือให้ในไว้เฉยๆเนี่ยนะโลผ้ามีสีเป็นอารมณ์อย่างเดียวเนะี่ยแสดงแปดวงก็ได้เฉพาะอารมณ์เดียวนะโลผ้าสามารถเกิดได้แปดวงก็ได้ถ้าเปลี่ยนอารมณ์อ่ก็ได้อีกแปดดวงนะสมมุติว่ามองเล็บเนี่ยนะได้แปดวงมองขนก็ได้แปดวงทีงนี้ขนแต่ละเส้นแต่ละเส้นก็ให้โลภ้าได้แปดดวงหมดเลย มันจะจะแสดงโลผาให้มากไม่มีจบก็ไม่จบจเอามากขนาดไหนก็ได้แค่เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนภาษาใช่ไหมเปลี่ยนอารมณ์ก็ทำให้ภาษาต่างเมื่อภาษาต่างเวทนาก็ต่างเมื่อเวทนาต่างตัณหาก็ต่างแล้วแต่การสะสมมาด้วยส่วนหนึ่งว่าบางคนนี่ให้ค่าวัตถุอันนี้มากกว่าเงินทองบางคนให้ค่ากับภาพวาดมากกว่ากว่าเงินทองเหมือนกัน บางคนให้ค่ากับดอกไม้มากบางคนให้ค่ากับรูปชีวิตตินรีย์เนี่ยนะสีที่มีรูปชีวิตตินทรีย์เกิดร่วมด้วยให้ค่ามากบางคนให้ค่ากับเรื่องอาหารมากอย่างเงี้ยอันให้ค่าแตกต่างกันมากบางคนให้ค่าของเก่าเงี้ยพวกกระเบื้องถ้วยโถโอชามของเก่าเนี่ยเท่าไรก็ยอมบางเงั้นเถอะให้ค่ากว่าเพชรอีกบางเงี้นเพชรก็ไม่ได้ถึงกับว่าไปแสวงหาขนาดนั้นอะไรแต่ว่าถ้วยโถโอชามของเก่าหรือว่าพระผงอย่างเงี้ยใช่ไหม ก็เป็นผงขมิ้นเป็นผงข้าวบดข้าวอะไรธรรมดานี่แหละมาอัด่าหลวงปู่นั้นทำสมัยนั้นสมัยนี้พระกรุอย่างเงี้ยพระปิดตาเ ง, างี้ยนะโอ้ยตะรนตรนตะร น, ร น, รนไปหาเอาเอาองค์นั้นมาแล้วตีค่าวันนี้เป็นล้านนะนนนก็ก็สีอันเดียวนั่นเองก็เห็นด้วยครับอย่างาชนชาติต่างๆเนี่ยชนชาติจีนมาพักที่รีสอร์ทนะเขาจะให้ค่าเรื่องอาหารมาก เขาจะตีค่าที่อยู่อาศัยก็พอประมาณถ้าอาหารดีนะักมากกวาว่าเป็นที่ถูกใจแต่ถ้าชาวยุโรปมาชาวอเมริกามาเขาจะให้ค่าในเรื่องที่อยู่อาศัยห้องน้ำนะครับที่พักบริเวณรอบๆถ้าคนไทยมาก็ขอให้มันมีกิจกรรมสนุกๆ น, นะครับนะมีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ส่วนเรื่องรับนอนก็พอประมาณอาหารก็ ก็ได้พอได้นีแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันมาก็คืออยู่ที่การสะสมมาอยู่ที่สัญญานั่นเองอนะว่าบุคคลเคยมีสัญญาที่เป็นการมสัญญาเป็นต้นกับอารมณ์ใดมากก็จะให้ค่ากับอารมณ์นั้นนั้นธรรมชาติของจิตอย่างหนึ่งเนี่ยอาศัยอุปนิสัยเกิดขึ้นนะจิตหนึ่งดวงเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวว่างั้นแต่ เมื่อไม่ใช่ปัจจัยเดียวเนี่ยนะทั้งอุปนิสัยแม้แต่ชอบเหมือนกันก็ความเข้มข้นก็แตกต่างกันเนี่ยนะยกตัวอย่างเลยนะสรุปแล้วชอบดอกกุหลาบเหมือนกันบางคนชอบดอกกุหลาบตูมบางคนบานหน่อยแม้แต่รายละเอียดก็บางคนดอกเล็กบางคนดอกโตขึ้นอีกหน่อยจึงจะชอบอย่างเงี้ยเั้นแม้แต่สิ่งเดียวก็ยังมีความหลากหลายในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเนี่ย มีนิมิตและอนุพยัญชนะก็สุดแท้แต่ว่าให้เวทนานะเวทนานั้นส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามอำนาจของสัญญาเดิมเนี่ยนะเช่นกามสัญญาเป็นต้นซึ่งบุคคนเคยคิดว่าอย่างงี้งามพอเจออะไรแบบนี้งามเลยเนี่ยนะถ้าคนบอกแบบนี้ไม่งามถึงจะดีขนาดไหนก็บอกว่าไม่งามก่อนนะ่ะเพราะว่าส่วนของสะสมด้วยส่วนหนึ่งอะนะส่วนหนึ่งก็ความแยกคายของจิตเฉพาะหน้าด้วย ถ้าเอาชาติของปัจจัยมามาจับแล้วเอาจิตหนึ่งดวงมาตั้งก็จะนึกออกค่อนข้างพอสมควรใช่ไนหะเขาแต่งงานหรือยังเมื่อคืนยังนะงนะเกือบแล้วนจวนจนจะเข้าหอแล้ ว, ลวะช่ไหมใต้องให้ผู้การเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยไหมว่าเรื่องไปยังไง เ <c oughs> นมนะคือเมื่อคืนนี้กล่าวถึงเรื่องของพนางสุเมธาเทรียหนไะลูกสาวของพระเจ้าพระเจ้าอะไรในเมืองอพระเจ้าโกนจะกรุงมันตาวดีแบบนั้น้ใ น, นในสมัยพุทธกาเลเรานี่แหละ เมืองนี้ก็อาจจะเป็นเมืองไม่ใหญ่นั ก, ก น, นะเมืองเล็กๆอ่งนั้นนะคือคือเมืองสมัยก่อนก็เหมือนกันอำเภอสมัยเรานี่แหละเจ้าเมืองก็เจ้าคณะอำเภอหรือว่าจังหวัดนั่นแหละจนพอเล็กๆแบบนั้นอ่ะนะพระเจ้าโกนจะกรุงมันตาวดีอ่ะนะซึ่งได้มั่นลูกสาวไว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยแหละว่าจะต้องไปแต่งกับพระเจ้าอันนี้อันนี้กระตะนะอีก เมืองวารณาวดีแบบนั้นใช่ซึ่งก็ได้มั่นหมายตั้งแเล็กๆนะเพราะฉะนั้นพอโตเป็นสาวเต็มที่ก็จะยกให้กับฝ่ายชายไปแต่ทีนี้ว่าไอ้พนางสุเมธาเนี่ยตั้งแต่เล็กๆมาแล้วก็ฟังทำ ม, มาตลอดแบบนั้นแทะฟังทำตั้งแต่เล็กขณะนี้หรือเปล่าไม่ตาำ น, น, นะสะสมมาจนเป็นสาวนะจนเป็นหนุ่มเลยไม่แต่งงานเลยคนนี้นแล้วก็ใช้ชีวิตเจริญอสุภาษสัญญาซะส่วนใหญ่เนี่ยนะ เจริญอสุภาษสัญญาเจริญกายยคตาสติเป็นส่วนมากพอได้ฟังข่าวว่าพ่อแม่จะจับเข้าพิธีแต่งงานก็เลยเทศให้พ่อแม่ฟังใหญ่เลยแต่ทีนี้พ่อแม่ก็ยังไม่ยอมนั่นแหละสรุปแล้วแต่งอย่างเดียวมันทีนี้ในขณะที่กําลังสนทนาปราัยกับพ่อกับแม่อยู่นั่นแหละนะเจ้าชายก็มาเลยพระเจ้าอานิกรัฐผู้ได้รับพระราชทานพระนางสุมเมทานั้น มีข้าราชบริพารนุ่มแวดล้อมเสด็จมาเพื่อเข้าสู่วิวาเมื่อเวลากระชั้นชิดเหมือนกันะก็จัดแต่งรีบด่วนเลยเหมือนกันเถอะภายหลังเจ้าหญิงสุเมธาทราบว่าพระเจ้าอนิกรัตเสด็จมาจึงใช้พระขันตัดพระเคสาดำคลับที่รวบไว้อ่อนสลวยทรงเปิดปราสาส ท, ทรงปิดปราศาสเข้าประมมาชัน<ม>ก็คือบอกว่า ความงามก็อาศัยผมขนเล็บเป็นต้นเนี่ยนะนางก็ตัดผมแล้วก็โยนผมออกแล้วก็เข้าไปข้างในเจริญเข้าฌานเเข้าปฐมฌ า, านก็คือพิจารณาผมโดยความเป็นของปฏิกูลเป็นต้นแล้วก็ทำให้ได้ฌานก็มีปฐมฌ า, านนั่นแหละเข้าฌานอย่างสบายอยู่ในห้องเจ้าหญิงสุเมทานั้นก็เข้าฌานอยู่ในปราศาสตร์นั้นและพระเจ้าอานิกรัตก็ได้เสด็จมาถึงพระนคร พระสุเมทาก็เจริญอนิจจสัญญาอยู่ในปราสาทนั้นนั่นแหละเข้าฌานด้วยออกจากฌานก็เจริญอนิจจสัญญาเหมือนกับที่ในอาพาทสูหรือคริมานนทสูใช่ไหมพิจารณานิจจสัญญาพิจารณาว่าอย่างไรพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงและวิญญาณไม่เที่ยงนั่นนะก็พิจารณา ขันธ์ธาตุอายตนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกแปรหน้าตานั่นเองท่านบอกว่ายกอนิจจะสัญญาขึ้นเป็นประธานสัญญาที่อื่นก็เท่ากับกล่าวแล้วนะพวกทุกขสัญญาอนัตตาสัญญาเป็นต้นก็เท่ากับกล่าวแล้วทั้นก็เจริญวิปัสนาอยู่บนปราสาทตนั่นนะมีปฐมฌานเป็นบาทแล้วก็กลับไปกลับมาเจริญวิปัสนาอยู่นั่นแหละก็จะแต่งงานและเข้าชานได้เนาะเก่งมากเลยนะเ <c oughs> จ้าหญิงสุเมทานั้นกําลังมานสิการ นะกําลังพี่ารณาเจริมนิปั ส, สนาใหญ่เลยและพระเจ้าอ น, นิก ร, รัต ก, ก็ทรงแต่งองค์ด้วยแก้วมณีและทองคำเรียบเสด็จขึ้นปราสาทนะเพราะฉะนั้ น, ะนคู่มั่นไปปราสาทนี้ผ่านหมดแล้งั้นถ้าธรรมดาก็ต้องยามก็ขวางไรนะอันนี้ยามเปิดประตูให้เบ็ดเสร็จเข้าจนถึงห้องในเลยเข้าไปถึงปราสาทก็ไปถึงก็ประคองอัญชลีอ้อนวอนพระนางสุมเมทาว่าอานาจทรัพ ความเป็นใหญ่โภคสุขในราชสมบัติน้องหญิงยังเป็นสาวอยู่ขอเชิญบริโภคกรมทั้งหลายกามมาสุขหาได้ยากในโลกเหมือนัันเข้าไปถึงก็เอาสมบัติมางั้นเดี๋ยไปล่อเงินนะสิ่งเหล่านี้หาได้ยากนะแล้วก็บอกว่าราชสมบัติพี่ยอมสละให้น้องหญิงแล้วเชิญน้องหญิงบริโภคพภคขสมบัติถวายทานทั้งหลายเถิดเนีย น, นะ สไส์ไโภคสมบัติล้านี้แล้วก็ให้ทานไปน้องหญิงอย่าทรงเสียพระไทยเลยพระชนกชนนีของพน้องหญิงเนี่ยทรงเป็นทุกข์นะก็หาอย่างอื่นพอที่จะไปอ้อนวอนได้นะเรียกว่ามีอุบายในการเจรจาอย่างไรก็ระดมมาให้หมดเนี่ย น, นะมาใช้วาทะโวหารเจรจากับสาวเจ้าของั่นเจ้าหญิงสุมเมธามไม่ต้องการด้วยกามทั้งหลาย ปราศจากโมหะแล้วนะก็เรียกว่าขณะนั้นก็มีการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาวิปัสนาเป็นอย่างดีโมหะไม่กลุ้มรุมจิตเมื่อโมหะไม่กลุ้มรุมจิตก็สามารถมองเห็นประโยชน์ทั้งหมดเพราะนนัน้เมื่อมองเห็นประโยชน์ก็มองเห็นอัดมองเห็นธรรมความมืดไม่ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นพนางสุมเมธาก็เลยกราบทูลพระเจ้าอนิกรัตนั้นว่า อย่าทรงเพลิดเพลินกามเลยฟังกันก็คือคำว่าอย่าเพลิดเพลินก็คืออย่าไปมีตันหายินดีในกามนักเลยโปรดทรงเห็นโทษในกามทั้งหลายเถิดคืออย่าไปเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสนักเลย่างั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ก็มีโทษอยู่โทษของสิ่งเหล่านี้คืออะไรเลือนะกออกนะว่าโทษของกามมีอะไรบ้างอ่ะเอาคนละข้อนะโทษของกาม การอันนั้นอุปมาว่างันเด้ออธิกูปมาการทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกแต่ว่าโทษของกรรมก็คือหนึ่งนะท่านก็แสดงนับตั้งแต่การสแสวงหาการทํางานเรียกว่าทํางานอาบเหงื่อตังน้ําทําด้วยกําลังแขนเป็นต้นสะสมทรัพย์สแสวงหาจนถึงเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการแกล้งการแย่งชิงอาศัยกรมเป็นต้นเขาเหล่านั้นก็ยอมทําบาปทำอกุศลเป็นปัจจัยให้ตกนรกเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าโทษของกรรม ทีนี้พอเมื่อมีโทษลักษณะนั้นแหละพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอุปมาว่าอธิกูปมาเหมือนร่างกระดูกเห็นไหมเหมือนกับชิ้นเนื้อคําว่าร่างกระดูกก็คือมันอร่อยน้อยเห็นไหมอร่อยน้ําลายอย่างนั้นแหละคำว่าเหมือนกับชิ้นเนื้อก็คือเป็นที่ยื้อแย่งกันถ้าประณนีดมากคนก็แย่งมากประณนีดน้อยก็แย่งน้อยไม่ประเนีดมีใครแย่งเลยเห็นไหมแล้วก็เหมือนกับ คบเพลิงเนีย่ยนะใครถือทวนลมเนี่ยนะมันก็จะไม่คนที่ถืออยู่ตลอดแล้วก็เหมือนกับหลุมฐานเพลิงใครที่ตกไปแล้วก็เร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นต้นนั่นเองอันอย่าไปเพลิดเพลินในกามเหล่านี้นักเลยให้เห็นโทษของเขาเธอเหมือ น, นั้นแล้วนางก็อุปมาว่าพระเจ้ามันทาตเจ้าแห่งทวีป ท, ทั้งสี่ทรงเป็นยอดผู้บริโภคกามทั้งหลายยังไม่ทันทรงอิ่มก็สวรรคตไปแล้ว ทั้งความปรารถนาของพระองค์ก็ยังไม่เต็มพระเจ้ามันธาตุเนี่ยนะใช้ชีวิตแบบเด็กๆแบบกุมารเนี่ยแปดหมีปีแล้วก็เป็นอุปราช 84%,00 มปีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีก 84,0 หมปีแล้วก็ปล่อยจักขึ้นไปในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะไปเสเวยสมบัติอันเป็นทิพย์เนี่ยพระอินท์จุติไป36องค์พระเจ้ามันธาตุก็ยังบริโภคกา ร, รมนั้นในยุคนั้นเนี่ยท้าสาก่าเนี่ยต้องแบ่งสมบัติคนละเครื่องกับพระเจ้ามันธาตุ พระเจ้ามันธาตุเป็นมนุษย์แต่ว่าไปอยู่ในนั้นก็อัตภาพเป็นทิพย์ไปก็บริโภคกรรมพระอินเนี่ยตายไปแล้วองค์ที่หนึ่งที่สองจนถึงสามสิบหกองพอครบองค์ที่ส6มสิบหกพระเจ้ามันธาตุเนี่ยกำเริบเสบสารใหญ่เลยบอกว่าเราก็ต้องมาแบ่งสมบัติคนละเครึ่งไม่ดีวางแผนจะปลงพระชนพระอินเลยตกจากสวรรค์เลยนีย่นะวางแผนจะฆ่าพระอินอ่ะคิดดูแล้วก็ตกจากสวรรค์มาก็มาจุติที่มนุษย์เหมืน นขนาดบริโภค ก, กามยาวนานขนาดนั้นยังไม่ทันอิ่มเลยตายไปแล้วเทวดาผู้เป็นเจ้าแห่งฝนพึงหลังรัตนะคือรัตนะเจ็ดลงมาโดยรอบทั่วทั้งสิบทิศความอิ่มกามทั้งหลายก็ไม่มีนรชนทั้งหลายยังไม่อิ่มเลยก็พากันตายไปนะให้ฝนเนี่ยตกเป็นเม็ดเงินเม็ดทองมาเถอะทั้งสิบทิศนี่แหละสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่อิ่มนะ ถ้าเนรมิตภูเขาทองให้เขาลูกหนึ่งเขาจะพอไหมมั น, นก็เพิ่มไปเรื่อยน่แนแหละนะก็เพิ่มไปเรื่อยเพรันภูเขาทองทั้งลูกหนึ่งให้ไม่เพียงพอแก่คนคนเดียวว่างั้นนะพะนั้นแล้วจะโอหไปบำรุงบำรเรอสัตว์ทั้งหมดเหล่าเนี้ยเขาไม่ไว้เนาะเั้นไม่รู้จักพอไม่รู้จักเต็มแล้วโลภะเนี่ยถมเต็มไหมใครถมโลภะเต็มบ้างถ้าถมโลภะถมที่ไหนยังจะเรียกถูกใจโลภะถมโลภะถมที่ไหน ทมเวทนานะถ้าใครให้เวทนาได้มากโลภะก็เกิดมากเห็นมเพราั้นเวทนานั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งโลภะทีนี้อารมณ์ทั้งหลายก็ให้เวทนาเท่านั้นเองเมื่อให้เวทนาโลภะก็อาศัยเวทนานั่นแหละเป็นปัจจัยทีนี้เวทนาเนี่ยนะบางครั้งก็เป็นสุขบางครั้งก็เป็นทุกข์เวทนามันก็เหมือนกับอาหารเนี่ยนะก็บอกว่ายาเสพติดเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะต้องใช้ปริมาณไม่มากนะัก แต่ถ้าเสพมากๆเข้านานๆเข้าจะต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆการทั้งหลายก็ลักษณะนั้นแหละจึงไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอการทั้งหลายก็เปรียบด้วยดาบและเหลาคําว่าดาบก็เหมือนกับก็ไว้คอยเชือดอนะทําให้มันเป็นริ้วเป็นริ้วเหมือนปลาช่อนหรือเปล่ามันเป็นเหมือนปลาดกจ้างอะนะทำให้เป็นริ้วเป็นริ้วนั้นการทั้งหลายเขาก็เชือดแบบนี้แหละแล้วก็คําว่าเป็นเหลาเหลาก็คือของมีคมเนาะ เป็นทิมทางการนั้นก็เปรียบด้วยหัวงูเหา่านะคือหัวงูเห่านี่มันวิจิตใช่ไหมรวดลายวิจิตแต่ว่าน่ากลัวเย่างนั้นเลยการทั้งหลายนี้เปรียบด้วยร่างกระดูกท่านก็ยกตัวอย่างว่าอมีคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดเนี่ยนะกําลังแร่เนื้อแล่โคอยู่เนี่ยมีสุนัขตัวหนึ่งพร้อมโซหิวมาข้าง มันก็มาจะมาขโมยเนื้อใช่ไหมคนฆ่าโค ร, รู้ลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดก็เลยช้ำแหละเอาเอากระดูกมาท่อนหนึ่งแล้วก็ชุบชุบเลือดสักหน่อยแล้วก็โยนไปโอหมันไปกัดใหญ่เลยะนะนี่กัดอยู่เขาบอกว่าถามว่าสุนัขตัวนั้นอิ่มไหมะนะก็บอกว่ามีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเสเปล่าชั้นใดบ้างนั้นนั้นกามทั้งหลายก็ลักษณะนั้นจึงไม่มีใครกินอิ่มบ้างนั้นนั้นกามทั้งหลายก็ เปรียบด้วยคบเพลิงเพราะตามเผาอยู่เห็นไหมมันเหมือนกับสะเก็ดเนี่ยนะมันตกมาใส่ตกมาใส่ยิ่งถือไฟนั้นอนะ่ะถ้ายิ่งถือมากสะเก็ดมันก็ใส่มากนะนั้นการทั้งหลายผู้ที่บริหารกรรมมากนั้นสะเก็ดมันก็กระเด็นมาเผาไหมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายจึงไม่เที่ยงเห็นไหมการทั้งหลายในโลกเนี่ยนะกามที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตอัานไหนมีค่ามาก อ่ามีชีวิตมีค่ามากนั้นมีชีวิตมีสมุทฐานสี่ใช่ไหมอ่าเมื่อเมื่อมีชีวิตมีสมุทฐานสี่บำรุงบำเรือกันั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกขมากแล้วก็มีพิษมากเป็นเหตุแห่งทุกขมีทุกขเป็นผลอ่าเมื่อบุคคลเข้าไปเสวยการมเกี่ยวข้องกับการมเกี่ยวข้องด้วยมหากุศร์แลจิตหาง่ายไหมหาไม่ง่ายเลยนาะ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกุศ ล, ลจิตเนี่ยนะก็เกี่ยวข้องด้วยโลภะนี่กำลังนึกถึงว่าเม่ฉันน้ำปนานะไปนึกถึงว่าเอ๊น้นําปานะเนี่ยมันเป็นปัจจัยแห่งบาปอกุศลได้ยังไงกันนึกถึงก็บอกว่าเฉพาะที่ตอนดื่มอยู่เฉยๆเนี่ยไม่เท่าไรหรอกแต่หลังจากดื่มไปแล้วเนี่ยพอไปที่อื่นเนี่ยก็จะเกิดการเทียบเคียงแล้วจะพูดถึงน้ําแก้วเดียวนั่นแหละ เป็นอารมณ์ของวจีกรรมอีกนานเนี่ยนะเป็นอารมณะปัจจัยของวจีกรรมอีกยาวนานเลยนะบางทีก็เป็นอารมณะปัจจัยของกายกรรมไปอีกยาวเนี่ยนะอันในเฉพาะหน้าเราดูเหมือนกับไม่ค่อยมีผลนักนะอย่างข้าวถ้วยหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าให้โลภะเนี่ยดูเหมือนกับไม่มากไม่น่ามีโทษอะไรแต่เชื่อไหมว่าอาศัยข้าวถ้วยนั้นเนี่ยทำให้คนเนี่ยทำกรรมมากมายมหาศาล นะแล้วก็คําพูดเพื่อพูดถึงอาหารถ้วยเดียวนั่นแหละโอ้ยวิจารอยู่นั่นแหละเห็นไหมวิจารอยู่ตั้งร้อยครั้งก็ยังไม่อิ่มไม่รู้จักพอวังนั้นเถอะเห็นไหมอาหารถ้วยเดียวนั่นแหละมันเป็นอารมณ์ของทั้งกายกรรมและวจีกรรมและเป็นอารมณ์ของมโนกรรมตลอดมั้นเมื่อเป็นกรรมเหล่านั้นกรรมก็มีผลเสมอไปมันมันก็ทํากรรมกับทุกอารมณ์เลยว่างั้นเมื่อเข้าไปทํากรรมกับทุกอารมณ์เนี่ย ทำด้วยกรรมที่ด้วยอำนาจโลภะโทสะและโมหะวิบากของโลภะโทสะโมหะจึงเป็นทุกข์นะนะมันอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยมีเพราะอะไรก็เพราะมีโลภะนั่นแหละจึงมีอบายถ้าโลภะไม่มีอบายก็ไม่มีนะเออถ้าพูดถึงอย่างนี้นี่นะครับการที่จะมีสุจริตสามไม่ง่ายเลยเพราะว่าวาจีทุจริตเยอะเหลือเกิน เช่นชักชวนให้ไปโอ้ดอกไม้นั่นสวยอาหารเจ้านั้นอร่อยปลาช่อนเผาเกลื อ, อเจ้านั้นแจ๋วจริงๆไสอัวเมงลายโอ้ี่เป็นวัตจีทุจริตหมดก็เป็นทานกุศลไม่เละถ้าไม่ใช่ทานกุศลศีลกุศลแล้วก็สมาธิกุศลหรือปัญญากุศลหรือว่าเป็นไปตามมารยาัตร มันก็เป็นโลภะแล้วฉะนั้นก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่าเป็นวั จ, จีทุจริตใช่ไหมครับถ้าไม่เป็นไปนในทานก็เป็นว จ, จีทุจริตตลอดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าสัตว์ในอบายจึงมากเหลือเกินถ้าจุติขณะนั้นนะถ้าจุติจิตจะต้องเกิดขณะนั้นเนี่ยอบายหวังได้นะเพราะอะไรเพราะชาวนะขณะนั้นเป็นโลภะวิถีสุดท้ายถ้าเป็นโลภะโทสะหรือโมหะนะอบายอย่างเดียวเนี่ยนะ ทนี้ก็ว่าปลาเนี่ยคิดดูว่าจะไปเกิดในคันของปลาตัวไหนตัวหนึ่งมันมีกี่ฟองอ่ะโอ้โหในช่วงช่วงนี้นะช่วงฝนเริ่มลงใหม่ๆเนี่ยนะปลากำลังวางไข่พอดีเลยนะกําลังไข่แต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยไข่ถ้าปลาตัวใหญ่หน่อยเนี่ยไข่เนี่ยมันไข่ไม่ได้เท่าไข่ห่านใช่ไหมไข่นิดเดียวอ่ะแล้วตัวหนึ่งเนี่ยไข่เนี่ยโหเท่ากําปั้นอ่ะบางตัวเนี่ยไข่เกือบเท่ากําปั้นอ่ะกี่ล้านตัวอยู่ในนั้นแล้วปลามตัวเดียวที่ไหนอ่ะ แล้วในโลกเนี่ยน้ำมากกว่าน้ำมากกว่าบกน้ำประมาณเจ็ดสิบเ็ดเปอร์เซ็นตบกแค่ส0มสิเปอร์เซ็นตแล้วปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยขนาดไหนโอ้ยบ่อู้การอันเดียก็ไม่ไหวแล้วเนอะตัวใหญ่ๆด้วยนะเสร็จเลยนั้นถ้าชวนะเป็นโลภะอบายก็หวังได้งั้นไอ้โทษอันนี้เนี่ย ถ้าไม่อาศัยคำสอนนะเราจะไม่คิดว่ามีโทษเลยะ น, นะคือของอามาเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่นึกว่าโอ้ค oh, ำสอนพุทธเจ้าละเอียดขนาดนี้เลยเหรอนี่เมื่อก่อนเราก็มองแบบมันจะอะไรที่มันค่อนข้างกัห ย, ยาบๆไปนะตามภาษาแบบเร า, เราอ่ะทีนี้ตอนหลังมาดูหูขนาดละเอียดขนาดนี้แล้วโอ้สัตว์จะรับได้ยังไงเนี่ย <c oughs> คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระองค์พิจารณาว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้ง หมูสัตว์นั้นมีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรสัตว์นี้ยินดีในการมาคุณอ่ะเสร็จแล้วพระองค์บอกว่าไอโลภะที่ยินดีในการมาคุณเนี่ยเป็นตันหานะตันหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแกภพนะูสัตว์จะรับได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหมเพราะรับตันหาว่าดีแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่พอใจไอภพเจตนากรำรอันนั้นอ่ะไม่เชื่อว่าเจตนาที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นว่ามีมีผลเนี่ยนะ ปฏิเสธผลของเจตนาที่เกิดร่วมกับโลภะเหล่านั้นเพราะว่าเจตนาเกิดร่วมกับชาวนาเพราะฉนั้นเจตนาเมื่อเกิดขึ้นเขาก็เป็นกรรมมาภพใช่ไหมในขนาดนั้นฉะนั้นเมื่อเขาเป็นกรรมมภพเนี่ยถ้าโลภะเนี่ยผลของเขาเป็นยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าโลภะให้วิบากได้กี่ดวงนับเป็นดวงจิตให้วิบากได้กี่ดวงจันติงได้กี่ดวงเจ็ดดวงนะโอ้เมนโลภะได้เจ็ด โลภาดดวงที่หนึ่งได้เจ็ดนะดวงที่แปดได้เท่าไหร่ดวงที่แปดก็ได้เจ็ดอ่ะโลพาแปดคูณเจ็ดเท่าไหร่ในอารมณ์เดียวนะในหนึ่งอารมณ์ให้โลพาได้แปดดวงโลพาหนึ่งดวงสา ม, มารถให้วิบากได้เจ็ดดวงเนี่ยนะในหนึ่งอารมณ์นะแล้วเปลี่ยนอารมณ์ไปนั้นก็เปลี่ยนโลพาไปเรื่อยๆเรืยๆยๆอยั้นผลของโลพาจะขนาดไหน และในอารมณ์นั้นก็อให้เกิดโทสะโทสะก็ให้ผลอีกเจ็ดวงเหมือนกันโมหะก็ให้ผลเจ็ดวงเหมือนกันเนไหนึ 1, 1่งหนึ่งคูณเจ็ดหนึ่งคูณเจ็ดว่าไปครแล้วบางอย่างมันให้ผลมากกว่านั้นหลายสิบเท่านะมันไม่ใช่ว่าให้เจ็ดแล้วให้ครั้งเดียวนี่มันให้ซ้ำๆซ้ๆซ้ำๆอยู่นั่นแหละนะไม่เลิกไม่ราสักทีไง ก็คิดดูนะเราฟังอกักขุสนิบากบางทีนั่งฟังอยู่เป็นวันๆอะ่ะเช่นเสียงบางอย่างซึ่งมันไม่น่าจะฟังเลยอย่างของมาเนื่นึกอดูแล้วนะเออเรารับอกุศสนิบากมากนะวันๆหนึ่งอะ่ะเช่นฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงกิ้งฤทธิจักจันไรๆพวกนี้อกุศสนิบากทั้งนั้นเลยโห้ฟังทั้งวันเลยอะคิดดูโอนี่อกขุสนิบากขนาดนี้เลยนะอันนี้เป็นผลอย่างเบาที่สุดแล้วมันให้ได้ยินแค่นี้ถ้าหนักขนาดนั้นไปเป็นร้องแบบนั้นจะบ้างยังบ้างไง บางทีนึกถึงนะไ อ, อ้พวกนั้นมันก็ร้องมันไม่ได้ร้องเป็นธรรมะเลยนะของเราก็น่าจะเอาก็พูดเหมือนกันแต่มาเป็นพูดคําสอนกน็น่าจะดีกว่าพูดแบบนั้นนั่งน่ะก็ทาให้มีแรงอ่านพูดธรรมะไอ้เยอะเหมืนกันนั้นการทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากเป็นเหตุแห่งทุกข์มีผลเป็นทุกข์เหมือนก้อนเหล็กที่ลุกชน กำลังปลื้มใจแล้วใครมาบอกว่าไอ้นี่เนี่ยมีโทษนะรับได้ไหมรับยากนะโลภะกํากลังเกิดเต็มที่เนี่ยนะยากเพราะฉะนั้นคนที่กําลังเห็นสุขอยู่จึงเห็นทำยากฉะนั้นใครที่เห็นทุกข์และจึงเห็นทำง่ายหน่อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นการทั้งหลายเปรียบด้วยผลไม้เขาบอกว่าคําว่าการทั้งหลายเปรียบด้วยผลไม้เนี่ยนะสังเกตมะม่วงต้นไหนที่มันออกลูกดกๆเนี่ยนะ แล้วก็ไปดูหลังที่ว่ามันให้ผลเก็บเกี่ยวหมดแล้วเนี่ยนะต้นไหนที่ออกลูกมากต้นนั้นโสมมากที่สุดนะในในมะม่วงต้นใดอันนั้นการทั้งหลายก็เหมือนกับผลไม้นี่นะันนค่าใครเกี่ยวข้องกับการ ม, มากส่วนใหญ่จิตใจก็จะเร่าร้อนเสียหายมากขนาดนั้นหรืออีกในยะหนึ่งเนี่ยการทั้งหลายก็เหมือนกับผลไม้นี่ก็เหมือนกับมีต้นไม้สูงสูงอยู่ต้นหนึ่งนะมันออกลูกเต็มไปหมดเลยข้างบนเนี่ย เจ้าแรกมาถึงแล้วโอ้สบายมากชั้นขึ้นต้นไม้เป็นเนี่ยก็เลยขึ้นไปเก็บกินผลบนนั้นอย่างสบายเพลินเจ้าหลังเนี่ยเดินตามมาเอาขึ้นต้นไม้ก็ไม่เป็นแต่เอ๊ไม่อยากมีขวานมาด้วยเลยเฉาะใหญ่เลยปา้าป้าเข า, ป า, ปาไปโคนต้นอ่ะเนะเจ้าข้างบนนี้ถ้าไม่รีบลงมาเนี่ยตายนะก็ว่ตาต า, ตายหรือว่าทุกต่างตายการทั้งหลายก็เหมือนกันคนที่ไม่ยอมสละเนี่ยนะยกตัวอย่างเหมือนกับ ในในพระไตรปิฎกกล่าวหลายแห่งเลยก็คือพวกที่ไปเกิดเป็นงูเฝ้าขุมทรัพย์อนะนะแล้วเกิดเป็นหนูเฝ้าขุมทรัพย์เนี่ยนะในในชาดกเนี่ยมีหลายเรื่องอนะเกิดเป็นงูเกิดเป็นหนูเฝ้าขุมทรัพย์เพราะสมัยก่อนฝากไว้ในฝังไว้ในแผ่นดินใช่ไหมก็หนูก็ไปทํารังเกิดอยู่ตรงนั้นแหล ะ, ะเขาบอกว่าบางแห่งก็กล่าวว่าคนที่ติดใจในลูกหลานเป็นต้นเนี่ยนะติดใจในบ้านช่อง เพลิดเพลินตายแบบคนมีห่วงตายแล้วก็มาเกิดอยู่ในบริเวณนั้นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นั้นแหละเนี่ยนะก็ยกตัวอย่างพระภิสุรูปหนึ่งอ่ะท่านเกิดท่านยินดีในจีวอของท่านได้จีวอนงามตายไปเกิดเป็นเลนอยู่ในนั้นแหละอ่นะถ้าเราสังเกตเนี่ยนะแม้แต่ในผลไม้ยังมีสัตว์อยู่เลยผลไม้ลูกมันอ่ะพวกกันลูกมันพวกกันนที่ขยำขยำมีแมงมันยังเดินมาตุ้มเตียมตุวมเตียมอยู่นนั้นเอง ออต่ละแห่งเนี่ยมีสัตว์อยู่มากมายท่้นถ้าเพลิดเพลินติดใจพร้อมที่จะไปเป็น น, นายรักสนะนั้นได้หมดเลยเพรี้ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนะเป็นสัตว์ทั้งนั้นเลยมะม่วงต้นหนึ่งมีแมงกระโดดอยู่เท่าไหร่พูดพูดถึงแมงมากแล้วไนดะ้หม่ำชั้นไม่มีความวางใจในภพของตนเองเลย นะคือไม่มีความวางใจในวิบากและกรรมชรูปอันนี้เลยว่างั้นเถอะใช่ไหมขนาดพ่อแม่จะยกให้ยังบอกอา้าวจะยกซากศพไปให้พระ อ, องค์นั้นทําไมว่างั้นนะไฟกําลังไหมศีรษะของตนเองอยู่คนอื่นจะช่วยอะไรหม่อมฉันได้พูดคํานี่ยหนักหน้าเดินะบอกว่าถ้าไฟไหมบนศีรษะเนี่ยนะใครจะช่วยใครได้ไหถ้าไฟไหมบนศีรษะเราใครจะช่วยอะไรเราได้ เอถามว่าถ้าเขาก็ถูกไฟไหม้บนศีรษะเราก็ถูกไฟไหม้บนศีรษะเราจะดับไฟใครก่อนดับไฟเราเนาะถามว่าเรานี้ถูกไฟไหม้ไหมคําว่าไฟเป็นชื่อของของอะไรไฟมีกี่อย่างก่อนทำไมไฟนี่มีสิบเอ็ดอย่างไฟมีสิบเอ็ดกองไม่ใช่กองเดียวนะไฟคือหนึ่งราคักคีนาไฟคือราคะเนี่ยนะ มันเป็นกองเลยเพราะไม่ได้เกิดครั้งเดียวมเกิดบ่อยเหลือเกินแล้วก็ไฟคือโทสะไฟคือโมหะแล้วก็ไฟคือชาติเนีย่ยนะคือถ้าหากว่าราคาโทสะโมหะเกิดแล้วผลของราคาโทสะโมหะคืออะไรก็คือชาติเนีย่ยนะเพรา ะ, ะชาติก็เผาต่อไปเนีย่ยนะก็เรียกว่าเสร็จแล้วถ้าชาติมาอะไรตามมาอีกชารานะไฟคือชาราก็เผาแล้วไฟคือ มรณะก็เผามันอาศัยชาติชรามรณะไฟคือโศกะเผาอีกและไฟคือโทสะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตก็แผดเผามันในหนึ่งอารมณ์เนี่ยนะไฟไหมส11กองทันทีเลยในหนึ่งอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องไฟทั้ง11กองก็แผดเผาอยู่ตลอดเวลามันโลกนี้เนี่ยไฟลุกโชนอยู่เป็นนิดเนี่ยนะเมื่อไหร่จะได้ดับไฟอันนี้สักทีหนึ่งอ่ะเนาะ ถ้าไฟกําลังไหม้บนศีรษะอยู่อย่างนี้นะั่นนะใครจะช่วยอะไรหม่อมชันได้บ้างนั้นนะคู่มั่นก็ช่วยไม่ได้แล้วเมื่อชาราและมรณะติดตามอยู่ก็ควรพยายามกําจัดชาราและมรณะนั้นเสียใช่ไหมถามว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะชารามรณะกําลังติดตามอยู่ใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่ชารามรณะไหนชารามรณะไหนที่กําลังติดตามอยู่แค่เนี้ยเหรอ พาหันถูกชราและมรณะติดตามไหมเอางี้กันพาหันถูกชรามรณะติดตามแผดเผาไหมแล้ว ท, ท่านเนี่ยปล่อยภ า, าระอันนี้แล้วท่านก็จักไม่ถือภ า, าระอันอื่นอีกแต่ของเราทิ้งภ า, าระอันนี้เอาภ า, าระใหม่มาอีกอ น, นะเพราะของเราเนี่ยยังมีชราและมรณะซึ่งไม่ใช่อันนี้อันเดียวยังมีไอแบบนี้อีกเท่าไหร่นับไม่ถ้วนอะ่ะ ไอ้ไอลักษณะถ้าได้เท่านี้ก็ดีแล้วปัญหามันไม่ได้เท่านี้ติ น, นะนะอเผาอีกหลายชาติถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่ายังถูกเผาออกหลายชาติรู้ได้งไงเราบอกได้ไหมว่าขนาดนี้เจตนาเราไม่เป็นกรรมเป็นไหเออนี่ที่ที่เรามาฟังฟังอยู่เนี่ยเป็นบุญไหมบุญนี้สมควรจะให้ผลสักเท่าไหร่ติ เอาอย่างเงี้ยให้เกิดเป็นมนุษย์ อ, อย่างเงี้ยผลของเจตนาที่ฟังธรรมเนี่ยนะอันนะศรัทธาเกิดขึ้นวิริยะสติสมาธิถ้าเข้าใจก็ปัญญาร่วมด้วยาตามสมควรถ้าให้ผลนำเกิดเกิดที่ไหนดีอหกชั้นเลยนะถ้าสวรรค์ก็หกชั้นนะั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งไงนะมนุษย์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสมควรจะมีอายุสักเท่าไหร่เอาสมมุติถ้าซื้อขายใช่ไหมถ้าทุนเท่านี้มันสามารถรู้ได้ว่าผลที่ที่เราเอามาเนี่ยสมควรเท่าไหร่รู้เลยใช่ไหมแล้วกุศลจิตอันนี้เนี่ยถ้าให้ผลเนี่ยสมควรจะได้ผลเท่าไหร่เชื่อมั่นในเจตนาอันนี้ขนาดไหนว่าผลออกมาอย่างงามแน่นอนเลยนะพูการมั่นใจขนาดไหนว่าผลของศรัทธาอันนี้เนี่ย ผลของวิริยะสติสมาธิอันนี้เนี่ยให้ผลชั้นหนึ่งเลยอะถ้าอยู่ดาวเด้งก็พันปีทิพย์นั่นแหละอยู่จาตูมก็ห้าร้อยปีทิพย์เหมือนกันอยู่จนหมดอายุไขเลยนะอนุภาพของเจตนาอันนี ng, <equ ipe. S 2> ้นะให้อย <figuring> uhm ู่ยาวเลยอะเชื่อมั่นขนาดไหนเพราะฉะนั้นพบจึงไม่ได้มีอะไรแน่นอนก็ดูเหตุที่กำลังทำอยู่ก็เป็นธรรมชาติที่กุศลจิตไม่ได้มีกาลังมากมายนะ เมื่อกุศ ล, ลจิตไม่ได้มีกําลังมากมายนะักผลของกุศลอ น, นั้นจะจะนานเท่าไหร่ถ้าเป็นพูดแบบภาคอีสานก็คือเหมือนกับบังไฟนะเขาก็อัดดินประสิวเข้าไปหน่อยเดียวอ่ะนะแล้วจะจุดให้มันอยู่ให้มันลอยอยู่นานๆเป็นไปไม่ได้นะมันจุดมันหมดเชื้อมันก็ตกลงมาผลของกุศลเหล่านี้ก็เหมือนกันถึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้ากุศลเราไม่หนักจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่นานอะไรเนะี่ยนั่นโคสักหรือว่า ถึงไปอยู่ที่นั่นบางคนเนี่ยเพลินเลยนะโคสกาเทพบุตรเนี่ยลืมกินข้าวเลยตายเลยเที่ยวเพลินลืมกินข้าวเออเทวดาเนี่ยถ้าลืมกินข้าวมื้อนหนึ่งเนี่ยตายนะไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยสักเจ็ดวันก็ยังไม่ตายเลยเทวดาเนี่ยเพลินเที่ยวเพลินสนุกไม่ทานอาหารมื้อนหนึ่งเนี่ยตายถามว่าอา้าวรู้แล้วว่าไม่ได้ทานอาหารรู้ว่าจะต้องตายทําไมไม่รีบกินอะ่ะถึงกินยังไงก็ไม่ฟืน้น เหมือนอย่างว่าเขาว่างันดอกบัวนี่เอาไปตากแดดร้อนๆเนี่ยและเอาน้ำไปรดเธออีกพันหม้อมก็ไม่ไม่สดชื่นตามเดิมทเท ว, วดาทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันนะนะดอกไม้เราไปตากแดดเนี่ยนะเสร็จแล้วเอาไปเข้าอะไรทําให้มันสดชื่นเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะฉนั้นเทวดาก็ลักษณะนั้นธาตุาไฟเขามีกําลังแรงมากมนุษย์นี่ธาตุไฟมีกําลังอ่อนแต่ว่าตายยากนะอดนะนะนั่นนะนะ เทวดาเป็นว่ามีความ่อไหเมื่อเกดธาตุไฟมีกาลังมากเจนทจนทอนมนุษย์ก็าน่มนุษย์ก็ช้าหน่อยเจนทอนสัตว์บางอย่างเป็นดืนศีลเป็นดืนไม่ได้จาศีลแล้วมันไม่มีอะไรจะหาที่หา ก, กินอ่ะเพราะถ้ามันไปผิดฤดูนะมันตายอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นกบใครบอกว่ามันจาศีลคือถ้ามันไปกระโดดทั่วไปเนี่ยนะมันตายอย่างเดียว ราพะถ้ากบมีศีลเหมืจะเป็นนอนอยู่กุฏิมั่งนั้นแล้วไม่ดำอะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยนอนลักษาศีลอยู่อย่างเดียวเนอะข่ามันไม่กินกินเยี่ยวอยู่นั่นแหละใช่ไหมว่ากบจาศีลก็มั่งงั้นเอขาปกติของกบเป็นอย่างงั้นอาจจะได้นะศีลถ้าแปลว่าปกตินะแต่ถ้าถามว่าศีลอย่างงั้นไปสวรรค์ได้ไหมเป็นปัจจัยนิพพานได้ไหมเนี่ยนะเดี๋ยวว่า ให้ ه, นั่งเฉยเป็นตีนเล ย, ยงไงสบายแล้วกันนี่ mm hmm. อันนี้เชิญให้กลับวังไปเลยนะพระเจ้าอา น, นิรัตนะกลับไปเหอะเมือนกนดิฉันเห็นพระชนกชนนีและพระเจ้าอานิกรัตเสด็จยังไม่ทันถึงพระทวารก็ประทับนั่งที่พื้นดินทรงกันแสงอยู่เนี่ยนะคือทั้งพ่อแม่ของพระนางสุเมธาใช่ไหมกับ พระราชาที่จะมาเข้าอองานแต่งงานเนี่ยสามคนเนี่ยร้องให้กันระงมเลยเ น, นี่ยนะเพราะแม่เอาด้วยแล้วอาจจะว่าไงเสร็จแล้วพนางสุมเมทาก็เลยเข้าไปกราบทูลว่า สังสารวัฏนี้เป็นสภาวะยืดยาวสําหรับพวกคนเขา่ากั้นก็คนเข่านี่สังสารวัฏนี่ยาวจริงๆใช่ไหมเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสงสารกล่าวคือความเป็นไปของลำดับขันอายตนะธาตุเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นตัววัตตะสังสาระเนี่ยมาแบ่งเป็นวัตตะได้สามวัตตะคือกรรมวัฏ วิปากาวัตและกิเลสวัตเนี่ยนะสังสาระอันนี้ก็คือขันธาตุอายตนะพอมาแบ่งเป็นมัตตาแล้วก็ได้สามเพราะฉะนั้นชื่อว่ายืดยาวแม้แต่อดีตพุทธญาณก็กําหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ในสังสารวัตรมาเนี่ยนะอยู่มาพอๆกันนั่นแหละไม่ได้มีใครแก่กล้าใครเลยวิชาแก่กล้าพอๆกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นแม้แต่พุทธญาณก็กําหนดไม่ได้มันยาวขนาดนั้นอะ่ะค่ ด, ดูนะเห็นแล้วโลภะเกิดทันทีได้เลยเห็นแล้วโทสะเห็นแล้วโมหะเกิดขึ้นครอบงําท่วมทับไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นอวิชชาและภวะตันหาเนี่ยนะสำหรับคนเข่าเหมือนคนตาบอดผู้ไม่กําหนดรู้วัตถูกแปดจริงอยู่เงื่อนต้นของการผูกติดในภพย่อมไม่ปรากฏเนี่ยนะเพราะเรายินดีไปทุกๆุกภพนั่นแหละ ถามว่าสัตว์นรกยินดีในความเป็นอยู่ในนรกไหมถามว่ายินดีไหมถามว่าสัตว์นรกกลัวตา ย, ยไหมกลัวเอา้าแสดงว่า ก, ก็ยินดีในสภาพแบบนั้นนึนกันน่ยอยนะอ้าวไม่ชอบอยู่แบบนั้นแต่กลัวตายเอาสิเอาไงสมมติสัตว์นรกเนี่ยเห็นคนไปถือดาบไปฆ่ามันเอาไหมไม่เอาอ่ะอย่างเหมือนกับเรากําลังป่วยสมเนี่ยชอบแบบนั้นไหมถ้าใครจะถือดาบมาฆ่าเอาไหม แล้ว น, นันสังสารวัตร ส, สาหรับคนพาลเนี่ยนะผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดรัดไว้กับอารมณ์เนี่ยนะอวิชชาเนี่ยปิดไม่ให้เห็นสัตจะใช่ไหมไม่ให้เห็นว่านี้ทุกขสัตว์ควรปริญญาสามนี้สมุทัยสัตว์ควรละนี้นิโรสัตว์ควรทําให้แจ้งนี้อริยมรรคสัตว์ควร จเจริญอวิชชาปิดพับทันทีไม่ให้เห็นว่านี้เป็นคันธาตุยตนาสรรัจจะปฏิจจะนะอวิชชาปิดหมดแล้วเสร็จแล้วตันหาฉาบถาเลยเออดีนะงามนะสนุกนะสุกนะเนีน่ยตรงกันข้ามหมดอะผูกไว้เพราะฉะนั้นสังสารวัตรเนี่ยเป็นสภาวะยืดยาวสำหรับคนเค้าผู้ร้องให้อยู่บ่อยๆเพราะบิดาตายมารดาตายอะไรง้เกก็ไปถึงไงพ่อ พ่อแม่กําลังร้องให้เจ้พาพระราชากําลังร้องให้กันอยู่เนี่ยนะก็คือเข้าไปถึงก็บอกว่านี่นะคนเขาจะต้องร้องให้อย่างนี้อีกนานเหมือนกันก็บอกว่าพี่ชายน้องชายถูกฆ่าและตัวเองถูกฆ่าในสังสารวัตที่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วขอพระองค์โปรดระลึกถึงน้ําตาน้ํานมเลือดและกองกระดูกของสัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวไปมา ว่ามากเพียงไรเพราะความที่สังสารวัตมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะก็คือนางนี่แสดงว่าแตกฉานพระสูตรมากเลยนะเห็นก็ร้องไห้นึกถึงพระสูตรทันทีเลยว่าเออที่ร้องไห้อยู่เนี่ยนะน้ำตานี่มากกว่ามาหาสมุทรแล้วนะที่เคยพ่อตายแม่ตายพี่ชายตายน้องชายตายญาติตายต้องสูญเสียจากของรักเนี่ย น้ำตาเฉพาะเสียใจยพ่ะแม่ตาอย่างเดียวนี่ก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วบอกงั้นเถอะหรือว่าน้ำนมที่เราเกิดมาแล้วกินน้ำนมแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเดิมน้ำนมมากกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วอนี้นะกองกระดูกก็ใหญ่โตมากมายเพียงไรว่างั้นเพราะฉะนั้นโปรดทรงระลึกถึงมหาสมุทรทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมาเปรียบเทียบด้วยน้ำตาน้ำนมและเลือด โปรดทรงระลึกถึงกองกระดูกในกับหนึ่งของบุคคลหนึ่งเทียบเท่าภูเขาเวปุระบันพตกับกับเดียวเนี่ยนะกระดูกของเราก็มากกว่าเขาเวปุระบันพตแล้วโปรดทรงระลึกถึงแผ่นดินใหญ่ชมพูทวีปที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมาเปรียบเทียบด้วยสังสารวัตรของสัตว์ที่ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในสังสารวัตที่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้ว แผ่นดินทั้งหลายทำให้เป็นก้อนเท่ า, มาเมล็ดพุทราไม่มากก้อมากไม่เท่าจำนวนมารดายายทั้งหลายเนีย่ยนะสมมติว่าเอาก้อนมาเม็ดเท่านี้ใช่หมมาปั้นเออนี่แม่เอาเมาอีกก้อนหนึ่งอ่ะนี่แม่ของแม่ อ, อันนี้แม่ของยายเห <c oughs> ็ น, นแล้วต่อไปเลยแม่ของทวดอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยนะเอาแผ่นดินมาปั้นเท่าเม็ดเล็กๆ เ, เ, เนี่ยเท่ากับเม็ดมะขามเนี่ยนะ เมทูซาเนี่ยเล็กๆอ่ะตั้นไปเรื่อยนี่แม่ของแม่แม่ของแม่แม่ของแม่แม่ของแม่แม่ของแม่ก็บอกแผ่นดินหมดก่อนแม่ของแม่ยังไม่ทันหมดเลยเพราะนั้นมันยาวขนาดนั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นโปรดทรงระลึกถึงหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงนำมาเปรียบเทียบเพราะสังสารวัตรมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วท่อนไม้ทั้งหลายขนาดสี่นิ้ว ก็มากไม่เท่ากับจํานวนบิดาและปู่ทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ตัดเอาไม้ทั้งโลกเนี่ยมาเลยนะมาแบ่งเป็นสี่นิ้วอ่ะแล้วก็ตัดนี่นะนี่พ่ออ่ะนี่ปู่อันนี้ทวดนี่พ่อของทวดแล้วกันก็คือพ่อของพ่อของพ่อของพ่อเนี่ยนะแผ่นดินทั้งต้นไม้เนี่ยหมดทั้งโลกเลยพ่อของพ่อของพ่อก็ยังไม่ทันหมดเลยมันกันยาวขนาดนั้นนะใครกลับมาเป็นพ่อเป็นลูกกันนั่นก็วนๆอยู่แถวนั้นไง ต้องดูคล้ายๆว่าเฮ้ยๆพูดเล่นๆนะแต่เป็นความจริงนะครับโอ้แปลกนะครับแต่ความจริงแล้วเราไม่มีแม่หรือเราเราไม่มียายเหรอแล้วแม่ของยายไม่มีเหรอเจ็บบ้าแล้วแม่ของยายนั้นไม่มีมีแน่นอนไม่มียายเราเกิดไม่ได้แน่ใ่ไเรื่องจริงทั้งนั้นไล่ไปเรื่อยๆเดืนนะโ อ, โ อ, โอมันยาวอะไรขนาด น, นั้นวงนี้ยาวน ะ, ะมวงของอภิชาและตันหาเนี่ยยาวมากเลย ปรดทรงละลึกถึงเต่าตาบอดในช่องแอกอันหมุนบนไปในทิศบูรพาและทิศอื่นๆในมหาสมุทรมาสวมหัวเต่าตาบอดตัวนั้นเปรียบเทียบในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ที่ ด, ดูนะว่าพระนางเนี่ยฟังพระ ส, สูตรมาขนาดไหนนะคิดว่าขอบเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยเอาพระ ส, สูตรเหล่านี้มาสาธยายให้ฟังได้อ่ะอว่า น, น้ําในมหาสมุทรเนี่ยนะมันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ลมพัดไปในทุกทิศเนี่ยนะมีไอ้บ่วงตาเดียวหรือช่องแอก พอที่จะสวมคอเต่าได้อ่ะเสร็จแล้วเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ทีหนึ่งเนี่ยนะแล้วบ่วงนี้มันก็ลอยไปเรื่อยเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดเนี่ยจะโพลออกมาถูกหัวพอดีเลยสวมพอดีเป๊ะเลยเขาบอกว่าพอเป็นได้ในการบางครั้งบางคราวแต่ยาวนานมากฮันคนพานเนี่ยเมื่อไปสู่อบายทุกขติวิณิบาตแล้วจะได้กลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากแบบนั้นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความได้เป็นมนุษย์ที่เราได้กันเนี่ยเป็นของยากนะ เนี่ยพนังซุเมธาท่านบอกอางนั้นเลยนะตีบกลับไปอ่านรพรไตรปิฎกนะ <c oughs> โหมันยาวจริงๆใช่ว่าอีกโซนหนึ่งบางอย่างบอกว่าแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยอุปมาแผ่นดินเนี่ยเราไม่คิดเป็นเหมือนดินอ่ะคิดเป็นน้ําแนทนใช่แล้วไอ้บ่วงตาเดียวเนี่ยเหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็เหมือนกับมีลมพัดไปในทิศข้างหน้าทิศข้างหลังตะวันออกตะวันตกเนี่ยนะเหนือใต้เนี่ยแล้วเต่าตาบอดมันโผล่รุบมาถูกทีเลยอะ่ะ มันก็เขาบอกว่าการที่จะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็ยากในลักษณะนั้นเฉะนั้นชีวิตของเราที่เราได้นี่ถ้าเรานั่งพิจารณาดูดีๆนะมันได้ยากจริงๆนะเพราะว่าสัมภาระที่จะทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายที่จะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้ น, ม, นมีอวัยวะมีร่างกายตาไม่บอดหูไม่หนวกจมูกไม่เสียลิ้นไม่เสียอวัยวะไม่พิการ แล้วบรรดากรรมทั้งหลายต่างมากมายเนี่ยนะทั้งกายกรรมวจีกรรมแล้วถ้านำปฏิสนที่มาเป็นมหาวิบากนําเกิดอะ่ะทําง่ายไหมมหาวิบากว่าจะเกิดขึ้นเมื่อมหาวิบากเกิดขึ้นมีรูปที่สมบูรณ์ให้มีอายตนะไม่บกพร่องรู้อัดแห่งภาสิทธิ์เนี่ยนะรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้อะไรมิโทษไม่ใช่โทษคือฟังอะพอรู้ได้ทําไ้ฟังก็ไม่รู้นั่นแหละแต่ว่าสามารถเป็นภาชนะที่จะรองรับได้เสร็จแล้ว ถ้าปล่อยให้ผ่านไปเลยมุนาเสียดายนะมั น, นตนบุญมาอย่างดีมากเลยนะทลายกับมือเองอะไรอย่างเงี้ยมาโปรดทรงระลึกถึงสภาวะที่จะสลายไปแห่งโทษคือกายที่ไม่มีแก่นสารซึ่งเปรียบด้วยก้อนฟองน้ำก็บอกก้อนฟองน้ำเป็นยังไงก็คือมันไม่ทนต่อการกระทบมันนะก้อนฟองน้ำเนี่ยนะมันเปราะบางมากอะไรกระทบหน่อยหนึ่งก็แตกละ ร่างกายนี้ก็ลักษณะนั้นไม่มีแก่นสารคิดดูนะถ้ารถวิ่งมาสักร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราไปนั่งยืนทื่อๆตรงนั้นแต่ว่างไงกระทบแตกเป้ะทันทีเลยเนี่ยเห็นตำรวจจราจรคนหนึ่งอะ่ะเดินไปดูรถสิบรอนะดูยังไงไม่ทราบรถมันเหยียบหัวแบนเลยอแล้วก็น้องน้องสาวพระเพื่อนน่ะเขาซ้อนท้ายมอเตรอร์ไซค์อ่ะ แฟนเขาอ่ะนะทีนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไปสิบล้อก็วิ่งไปข้างๆอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็จะแซงสิบล้อใช่ไมมันก็กึ่งหน้าหนาวหน่อยเช้ามืดยังไงนี่แหละทีนี้เสื้อกันหนาวอ่ะนะพอใกล้ๆล้อมันดูดเข้าไปซุบเข้าไปแล้วล้อมันก็เหยียบหัวแบ้นทันทีเลยอ่ะอ น, นะในวันหนึ่งนะลงมาจากรถเนี่ยมาดูของมันสมองเนี่ยตกข้างๆถนนนั่แหละ เกลียวข่าวกระครุ่งหรือว่าไงรถปิกอัพที่มีหลังคามีอะไรอย่างสูงเนี่ยนะเหลือเฉพาะช่วงล่างอย่างเดียวอย่างอื่นหลุดหมดเนี่ยนะก็บอกว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยกระเด็นไปนน่นไกลมากเลยไปคอหักไปโน่นนะนั่นมันเบาบางจริงๆนะชีวิตมนุษย์เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันมันม่นคงแข็งแรงถาวรอะไรนะเ<ม>ชื้อพวกเชื้อโรคเชื้ออะไรเข้ามาพักเดียวเนี่ยนะ เ, เคยเห็น คนหลายๆคนก็เหมือนกันนะอย่างอย่างดีๆกันอยู่เนี่ยอีกวันหนึ่งผ่านไปเนี่ยมาดูเนี่ยเขียวไปทั้งตัวเลยอะ่ะเป็นขนาดนั้นเลยเนี่ยมันสามารถพร้อมที่จะเป็นอะไรได้ง่ายๆบบกบางจริงๆ <c oughs> โปรดพิจารณาให้เห็นขันทั้งหลายว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงเนีย่ยนะให้เห็นขันทั้งหลายเธอทั้งรูปประคันก็คือมีแล้วก็ไม่มีนะรูปประคันมีสมุทรฐานเท่าไหร่นะสมุทฐานสี่เนาะ แต่ละสมุธานมีแล้วก็ไม่มีเวทนาขันมีสมุธานเท่าไหร่นะเวทนาขันเนี่ยเกิดจากภาษาเป็นปัจจัยใช่ไหมถ้ากล่าวว่าสมุธานก็ไม่ถูกนะไหมมันก็ต้องแยกต่อบบางเั้นโดยสมุธานไม่พบหรอกมีแต่ว่าเกิดโดยปัจจัยบางเั้นมีภาษาเป็นต้นเป็นปัจจัย อ, นนอันเวทนานะนะั้นเน่ยเกิดด้วยปัจจัยตั้งมากมายสัญญาก็เกิดด้วย ปัจใจสังขารก็เกิดด้วยปัจจัยเนี่ยกว่าจะโกรธอย่างหนึ่งขึ้นมานี่ไม่ใช่ของง่ายนะนีกว่าจะได้โกรธสักทีหนึ่งไม่ใช่ของง่ายนะปัจจัยเยอะนะโลภะ ก, กว่าจะเกิดสักอย่างหนึ่งก็ปัจจัยเยอะนะโมหะเนี่ยโหปัจจัยก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าอาศัยมันเกิดบ่อยก็เลยเหมือนกับไม่มากเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยกันดานน้าเนี่ยนะแล้วก็บอกเอ๊ะน้ําอดอยากไหมไม่ยากแต่ไปบางประเทศนี่มันยากจริงๆนะน้ำเนี่ยจะเอามาเดิมแค่หยดเดียวยังยากเลย นั้นน้ำเนี่ยว่ายากหรือว่าง่ายก็แล้วแต่ว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมีบุญขนาดไหนในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะนั้นสังขารทั้งหลายเนี่ยนะจิตเจตสิกก็เหมือนกันเป็นของที่เกิดยากแต่เกิดแล้วก็หมดปัจจัยเขาก็หมดไปอีกนั่นแหละแล้วจิตเนี่ยนะก็เป็นของที่มีแล้วก็ไม่มีจิตนี้ก็เกิดยากนะจะให้จิตไปเกิดที่อื่นเขาไม่เกิดนะ เขาจะต้องเกิดที่วัตถุรูปอย่างเดียวนาเว้นแต่อรูปประพบนะนักอภิธรรมบอกว่ยไม่ได้อรูปประพบแต่แถวนี้เนี่ยถ้าไม่มีวัตถุเนี่ยจิตเกิดไม่ได้จะให้จิตไปเกิดที่อื่นที่ขันที่แก้วที่อย่างอื่นเกิดไม่ได้ทั้งนั้นจะต้องเกิดที่วัตถุแล้ววัตถุที่จะให้จิตเกิดนั้นจะต้องมีอารมณ์แล้วก็ต้องมีปกะตูเป็นต้นมีอนันตระปัจจัยเป็นต้นจิตนั้นนั้นจึงจะเกิดได้แต่เกิดแล้วก็หมดไปเนี่ยนะ ปันขันทั้งหลายเนี่ยหาสภาพเที่ยงไม่มีมีแล้วก็หมดไปโปรดทรงระลึกถึงนรกทั้งหลายว่ามีความคับแค้นมากาเหมือนกับเขาว่าเข็มในกล่องเข็มเนี่ยมันแออัดยัดเยียดแบบนั้นแหละในนรกเหมือกันโปรดทรงระลึกถึงสัตว์ทั้งหลายที่พาการทำป่าชาให้รกในชาตินั้นๆอยู่ร่ำไปเนี่ยนะเกิดมาตายเพื่อทับถมป่าชาครั้งแลว้วครั้งเล่ามันก่อนเนี่ยดูในหนังสือพินนะ เห็นปลาที่ประเทศหนึ่งอ่ะทางทางบาซิเซนไหมโอ้มันตายเนี่ยเป็นร้อยตันน่ะปลาน้ําจืดเนี่ยนะขึ้นมาตายลอยเป็นร้อยตันนะคิ ด, ดูว่าจะปลากี่ตัวนะตัวขนาดขนาดเนี้ยถ้าฝ่ามือเนี่ยตายเป็นร้อย ร, อยรอยตันเลยเกลรนคงจะขาวคละคลุ้งเลยนะในนั้นเน่ะต้องมีญาติเราอยู่คนหนึ่งแน่นอนเนี่ยก็ทับถมป่าช้าอยู่ข้างแล้วข้างเล่าอยู่นั่นแหละ โปรดทรงระลึกถึงภัยคือจอร์เขค่คำว่าภัยคือจร์เขค่คืออะไรจร์เขค่นี่ส่วนใหญ่จะรู้จักในนามว่าไม่มีใช่ไหมก็คือเห็นแก่ปากแก่ท้องนั่นแหละอันให้นึกถึงภัยคือปัญหาปากท้องเขาไว้นะสังสารวัตที่เรามีอาหารได้กินกับไม่มีอาหารอันไหนจะมากกว่ากันที่จะมีอาหารรับประทานมาแตะปลายลิ้นและผ่านลําคอกับไม่มีนี่อันไหนมากกว่าแค่เป็นมนุษย์เนี่ยนะ มื อ, เ, อเวลาที่รับประทานกับไม่รับประทานไหนมากกว่ากันก็เวลาที่ไม่รับประทานก็มากกว่าแล้วแล้วพบที่ไม่มีอาหารจะรับประทานกับไม่มีจะรับประทานไหนมากกว่ากันก็นึกถึงมดตัวหนึ่งเนี่ยนะโ้ยกว่าจะได้น้ำสักหยดกินเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าไปอยู่ในในที่บางที่เนี่ยอนาบริเวณนั้นไม่มีน้าเลยเขารอน้ำค้างอย่างเดียวเนี่ยนะที่จะได้มีน้าดื่ม ทนี้เขาบอกว่าอา้าวก็ไปกินน้ำบอ่อโน่นเลยเขาเดินกว่าจะไปถึงอ่ะขาก็นิดเดียวเหรอเขาค่อยเดินไปนั้นแม้แต่มดนั้นเวลามีน้ำสักหยดหนึ่งเขามาตอมเต็มไปหมดเลยก็บอกว่าน้ำพึ่งตกหยดหนึ่งเหมือนกระถังน้ำพึ่งพระราชาแตกแนะดีใจมากนะก้อนข้าวเม็ดหนึ่งก็สเสบียงอันโอชาอันใหญ่โตของเขาหวังนะแต่กว่าจะได้ข้าวเม็ดหนึ่งให้เขากินเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆไปกินถูกหม้อคนอื่นเขาก็ทุบตายหมดเลยนะ ถ้าไปเกิดขึ้นตามบ้านตามช่องเขาก็ฉีดยาทิ้งนเป็นปลวกขนาดไม้ก็ยังยังไม่มีไม้ให้กินเลยอ่ะไปกินไม้เดี๋ยวบ้านเขาทับก็เอายามาฉีดหมดเนเนยเพราะฉะนั้นเกิดในพบแต่ละแห่งเนี่ยภัยคือปากท้องเนี่ยมีมากจริงๆิเพราะฉะนั้นโปรดระลึกถึงอริยสัจสี่นว่าอริยสัจนั้นเป็นของที่แทงตลอดยากดังนั้นคำสอนที่กล่าวถึงอริยสัจก็มีอยู่แล้ว เราก็หน้าที่จะขวนขวายร่ำเรียนเพื่อที่จะให้เกิดความรู้เกิดความเห็นน่นะวิชาในโลกนี้ก็ตั้งมากมายสิ่งเหล่านั้นก็เกื้อกูลชีวิตเป็นบางช่วงเท่านั้นเองก็อเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังกันตั้งมากมายแต่อริยศาสตร์นี้เป็นความรู้ที่เรียนแล้วจบเลยนะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็สบายแล้วเห็นหรือถ้าเป็นพระสกท า, าคามีเป็นพระานาคามีเป็นพระาหารก็ทาที่สุดแห่งวัตถุทุกได้พางั้น อันอริยสัตว์นี่เป็นของยากเป็นของลึกซึ้งเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นของโลงโไม่ต้องบำเพ็ญบารมีขนาดนี้ก็ได้มั้งเนาะพระพุทธเจ้าไม่ต้องบำเพ็ญบุญมากมายเมื่ออมตะนิพพานมีอยู่พระองค์ยังจะทรงต้องการอะไรด้วยของเผ็ดร้อนห้าอย่างที่ทรงดื่มแล้วดื่มอีกเล่าเพราะว่าความยินดีในกามทุกอย่างเผ็ดร้อนกว่าของเผ็ดร้อนห้าอย่างนั้นอีกคว่าไงอ่านนะ คำว่าเพดร้อนห้าอย่างก็คือเผดร้อนในการสแสวงหาในการหวงแหนการรักษาการบริโภคและผลแห่งกามทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะก็กามนี่ก็ให้ความเร่าร้อนอยู่นั่นแหละเ <c oughs> มื่ออมาตะนิพานมีอยู่พระองค์ยังต้องการอะไรด้วยกามทั้งหลายที่เร่าร้อนอีกเล่า <c oughs> เพราะว่าความยินดีในกามทุกอย่างอันไฟติดโพรงแล้วนะ ไฟ11อกองเนี่ยติดแล้วในขณะที่เข้าไปยินดีในทุกกรรมให้เดือดร้อนให้วันไหวเผาให้ร้อนแล้วเมื่อการออกจากกรรมซึ่งไม่มีค่าศึกมีอยู่พระองค์ยังจะทรงต้องการอะไรด้วยกรรมทั้งหลายที่มีค่าศึกมากไหมนะเขาบอกว่ากรรมนี้มีโทษมากใช่ไหมอริยมรตมีองค์แปดที่เป็นไปเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ก็มีอยู่ทำไมจะมายินดีในกรรมทำอะไรว่างั้น กามทั้งหลายมีภัยอยู่ทั่วไปเภัยของการคืออะไรราชภัยเห็นอักคีภัยโจรภัยอุทกภัยและอัปปิยภัยนะคำว่าราชภัยนี่ก็รู้เลยใช่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพระราชา ย, ยึดง่ายๆนะหรืออักคีภัยเนี่ยนะมีข้าวของบางอย่างไฟก็ไหมหรือว่าโจรภัยโจรก็มาปล้นเอาไปนะเขา แย่งชิงเขาคดเข้าโกงเอาไปเป็นต้นเนี่ยนะหรืออุเท่ากับภัยมีของบางอย่างแล้วก็น้ําท่วมเสียหายหมดและอัปิยภัยคือคําว่าอัภิยภัยก็คือคนที่ร่วมมรดกกันเนี่ยนะถ้าพ่อแม่มีลูกหลายๆคนลูกละลูกหลานเป็นต้นก็ยื้อแย่งกันไปหรือบางทีพ่อแม่ยังไม่ทันตายเลยลูกหลานก็ช่วยกันผลานเรียบเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นกามทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งภัยอย่างมากมายเพราะฉะนั้นกามจึงชื่อว่ามีค่าศึกมาก เมื่อโมกะธรรมมีอยู่พระองค์ยังจะทรงต้องการอะไรด้วยกรมทั้งหลายที่มีการฆ่าการจองจำเล่าเพราะว่ากรมทั้งหลายเนเะพราะว่าการฆ่าการจองจำมีอยู่ในกามทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ใคร้กามย่อมได้รับทุกข์ทั้งหลายนะเพราะนั่นไอตัวที่ยินดีในการมนั้นเน่ยเป็นเหตุแห่งวัตะทุกข์ทั้งหมดเลยนะคบเพลิงญ้าที่ลุกโผงย่อมไหม้คนที่ถือ และพวกคนที่ไม่ยอมปล่อยเพราะว่ากามทั้งหลายเปรียบด้วยคบเพลิงย่อมไม่คนที่ไม่ยอมละโปรดอย่าละสุขอันภัยบูนเพราะเหตุแห่งกรรมมาสุขเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะต้องฟังมาเยอะนะในขนาดยังไม่ทันบวชนั่นเนี่ยบวชแล้วก็เก่งขนาดไหนนะนะนะโปรดอย่าทิ้งสุขอันภัยบูนสุขภัยบูนก็คือ โลกุตระสุขเนี่ยนะซึ่งโอลาหซึ่งเป็นสุขที่ปราณีตเนี่ยนะอย่าไปทิ้งสุขที่ภัยบู์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมมาสุขทั้งหลายเลยเนี่ยนะฟังไม่ดีเนี่ยนะว่าคําสอนของพระผู้มีพระภาคเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยรังเกียจในทุกๆอย่างเหล่านี้เลยนะเหมือนกับว่าเอ๊ะไม่ให้เรามีความสุขหรื อ, อยังไงแต่ตั้งที่ดูนะว่าไอความยินดีในการทั้งหลายมันก็เหมือนกับติดยาเสพติดนั่นแหละนะมันมีโทษว่างั้นเถอะ าถามว่าพ่อแม่ที่หวังดีกับลูกเนี่ยนะห้ามลูกไม่ให้เสพยาเสพติดซึ่งมันเมามันเพลินมันสนุกเนี่ยพ่อแม่ไม่รักลูกหรืออย่างไรเนี่ยนะก็คือไม่อยากให้ลูกทุกข์นั่นแหละจึงจึงกล่าวห้ามในโทษภัยต่างๆเหล่านั้นการมาสุขทั้งหลายก็เหมือนการมีโทษอันพระองค์จึงต้องการให้ศัตว์เข้าถึงธรรมะที่พ้นโทษเนี่ยนะธรรมะพ้นโทษนั้นก็คือโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมนั้นก็เกิดจากมหากุศลที่ สะสมพ่อพูณเป็นอุปนิสัยจนถึงโลกุตระ ก, กุศลเหล่านั้นจึงจะเกิดขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นพระองค์นี่อย่าทรงเป็นดุดปลาใหญ่กลืนกินเบ็ดต้องเดือดร้อนในภายหลังว่างั้นบางท่านก็บอกว่ามัศยาที่ติดเบ็ดกับปุตชชนที่ติดในโลกีสุขจะต่างอะไรกันว่างั้นคนที่ติดเบ็ดก็ถูกพรานเบ็ดเนี่ยลากไปตามใจชอบใช่ไหมจาได้เลยก็ ที่สมัยเด็กๆแล้วก็ใส่เบ็ดบ่อยแล้วก็ไปอยู่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยนะรอบๆข้างมีแต่พรานเบ็ดทั้งนั้นเลยนะตัวไหนที่ไปกินเบ็ดในพรานตัวนั้นเน่ยเรียบร้อยนะอย่าต้องเดือดร้อนใจในภายหลังเลยเห็นไก่เหยื่อเล็กๆน้อยๆเนียน่ยนะเห็นแก่อั ส, สาทะนิดๆน้อยๆเข้าไปก็มีความเพลิดเพลินพระองค์ก็ตรัสอยู่นะว่าไม่มีความเพลิดเพลินถ้าไม่มีความเพลิดเพลินสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ติดเป็นแน่แต่ก็มีความเพลิดเพลินอยู่งั้นความเพลิดเพลินอนั้นเนี่ยเป็นสุข ไม่สุขแต่ว่าเป็นสุขที่เล็กน้อยเป็นสุขที่มีโทษเป็นสุขที่เจอด้วยอ ม, มิตและให้วิบากเป็นความทุกข์ยังมีสุขที่ภยัยรณ์คืออมตะสุขแล้วอมตะสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดได้จากการเจริญอริยมครคมีองค์แปดเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั่นเองโปรดอย่าทรงเป็นดุจ สุนัขถูกล่ามโซ่หมุนไปมาว่างั้นใช่อุปมานี่หนักเลยนะสุนัขที่ถูกล่ามโซ่ใช่ไหก็เดินวนอยู่แถวหลักกันนั่นแหละเพราะกามทั้งหลายเลยเพราะกามทั้งหลายจัดทาพระองค์ให้เป็นเหมือนคนจันทานหิวจักได้สุนัขแล้วก็ทําให้พิ่นาฏได้ก็บอกว่าคนจันทานที่หิวจริงๆเนี่ยนะก็บอกว่าได้สุนัขมาตัวหนึ่งก็เรียบข้าเพื่อที่จะแบ่งกันกินทันทีเลยนะ มันหิวจัดเหงือนันคนที่หิวโซอดอยากใดกามทั้งหลายก็ลักษณะนั้นนั่นแลพระองค์ทรงประกอบด้วยกามจักเสวยทุกซึ่งหาประมาณไม่ได้และความเสียใจอย่างมากโปรโดสละกามอันไม่ยั่งยืนเสียเถิดเมื่อนิพานที่ไม่มีความแก่มีอยู่พระองค์ยังจะทรงต้องการอะไรด้วยกามทั้งหลายที่มีความแก่เล่า ความเกิดทั้งปวงมีมรณะและพยาที่กำกับไว้ในภพทุกภพเนี่ยนะถ้าเกิดมาปั๊บเนี่ยนะเขาเรียกว่าตีตราไว้เลยว่าคุณต้องแก่นะคุณต้องตายนะนะถูกตีตราตั้งแต่เกิดแล้วนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายเป็นทางดำเนินถึงความไม่แก่และไม่ตายอริยมรรคซึ่งประกอบด้วยองค์8ปซึ่งเป็นทางดาเนินก็มีอยู่ ไม่มีความเศร้าโศกไม่ถูกฆ่าศึกเบียดเบียนไม่พลาดไม่มีภัยไม่มีความเดือดร้อนนี่ถ้ามาเป็นพระเจ้านิกรัตเนี่ยบวชแน่นอนเลยนะพูดขนาดนี้เลยไม่อยู่แล้วขนาดยังไม่ได้ฟังยังบวชเลยนิพานนี้พระริยเจ้าเป็นจํานวนมากบรรลุแล้วอมตะนิพานนี้อันผู้พยายามโดยเยบไข่เพื่งได้ในวันนี้นี่แหละ แต่ผู้ไม่พยายามหาอาจได้ไม่นนะนิพานน้เป็นอากาลิโกเป็นเอหิปสัสโกเป็นโอปะเนยโกคือควรน้อมใจเข้าไปหาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนิพานเนี่ยผู้ที่พยายามในสมมระทานสี่เนี่ยนะก็สามารถตรัสรู้ได้ว่า ง, งั้นแล้วก็ถ้ามีพยายามจริงๆก็บรรลุในวันนี้ด้วยนะคนมีบุญน่ยนะพูดไม่ยาก น, นะ เจ้าหญิงสุเมธาเมื่อไม่ทรงยินดีในสังขารกราบทูลอย่างนี้และเมื่อกำลังทรงเกลี้ย ก, กล่อมพระเจ้าอนิกราฐอยู่ก็โยนพระเกศาลงที่พื้นตัดผมให้เลยเอาไหมถ้าจะเอาจริงๆเอาผมไปกันแล้วกันโป้ใจเด็ดนะก็เหมือนกับนางโซ ส, สุภาเทเรียเขาเป็นเป็นทิศ น, นีที่งามมากงามทีนี้ก็เดินผ่านป่านนะก็มีช่างทองคนหนึ่งอะ่ะเป็นนักเรียกว่านักเลงเจ้าชู้นะ ไปก็ไปจีบไปชมใหญ่เลยชวนศึกอย่างเดียวเลยนะเสร็จแล้วว่าจะยกเป็นใหญ่เป็นโตนะทำพลรนาพร่ำถึงคุณของกลามมากมายเสร็จแล้วนางก็บอกว่าเออถามจริงๆอะที่ว่ารักเนี่ยรักส่วนไหนกันแน่ก็บอกว่าโอ้ยรักดวงตา ม, มากครับงั้นแล้วพลรนาว่าเห็นตาแล้วใจเนี่ยวันไวจริงๆว่างั้นขาดไม่ได้นางก็เลยควักให้เลย คักให้และขออภัยเลยนะความรักเนี่ยมันฝั่งทันทีเลยนะเออนะถ้ามันอยู่ในตาเนี่ยก็รักแหลแต่ควักออกมาแล้วมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นาะไอ้โลภะเนี่ยพอวัตถุนั้นแปลไปโลภะก็ไม่อยู่นะมันแสดงว่าโลภะนี่ได้อารมณนะถ้าอารมณะปัจจัยนั้นเปลี่ยนโลภะเปลี่ยนทันทีเพราะอารมณ์นั้นทําให้ภาษาเปลี่ยนใช่ไหม ทำให้ภาษาเปลี่ยนเมื่อภาษาเปลี่ยนเวทนาก็เปลี่ยนเมื่อเวทนาเปลี่ยนตันหาก็ไม่เกิดละอันถ้าวิจัยในทุกๆอารมณ์โดยปริญญาสามเป็นอย่างดีเนี่ยนะตันหาก็ไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดทีนี้พระเจ้านิกรัชก็ลุกขึ้นประคองอัญชลีทูลอ้อนวอนพระชนกของพานาังเลยทีนี้ไม่อ้อนวอนผู้หญิงละเหมอนอ้อนวอนพระราชาว่าปโปรดทรงปล่อยเจ้าหญิงสุเมธาให้ผนวดเถิด เพราะว่าเจ้าหญิงทรงเห็นวิโมกและสัตยธรรมแล้วอ่างนั้นโอ้ยไม่ไหวแล้วให้บวชแล้วงนั้นไม่ห่วงแล้วนะแท้ทาหายเมาเลยนะหายเมารักหมดเลยเ <c oughs> จ้าหญิงสุมเมทานั้นซึ่งพระชนกชนนีทรงปล่อยแล้วกลัวภัยคือความโศก น, นางนี่กลัวเศร้าโศกใช่ไหมเพราะว่าสงสารเนี่ยนนางกลัวภัยคือเศร้าโศกที่อาศัยสงสารเนี่ยเกิดขึ้น นะคำว่ากลัวในที่นี้ก็กลัวโดยายานหรือพยาญานก็เกิดขึ้นะนะพยาญา น, นางก็เกิดแล้วบวชแล้วเมื่อศึกษาอยู่ก็ทำให้แจ้งอภินญาหกและอรหัตผลแล้วเห็นะนิพพานนั้นน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีได้มีแก่สุเมธาราชกัญญานะเป็นก็บอกว่ากัญญาก็คือหญิงสาวว่า ง, งันราราก็ราชกัญญาก็คือที่เป็นหญิงสาวที่เป็นลูกของกษัตริย์ะนะ สา ม, มารถทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้พระสุเมธาเถรีได้พยากรณ์วิธีที่ตนประพฤติแล้วในปุเพนิวาสานุสติยาน น, นะคือพอบวชแล้วก็ตอนหลังก็ระลึกชาติได้ว่าเหมือนอย่างที่พยากรณ์ในเวลาใกล้จะปรินิพานใกล้จะปรินิพานนางก็เล่า ว, ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโกนาคมณะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เมื่อสร้างสังขารามเสร็จใหม่ๆข้าพเจ้าได้เป็นหญิงรวมกับเพื่อนสคนได้ถวายวิหารแด่สงนี่นะนะร่วมกับนางธนัญชานีนางเขมาและก็นางสุเมธาร่วมกับเพื่อนสร้างวัดถวายสงเนี่ยนะนะเราทั้งสามคนเกิดในเทวดาสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างหมื่นชาติบ้างไม่จําต้องกล่าวถึงการเกิดในมนุษย์เลยพวกเรามีฤทธิ์มากในหมู่เทวดา ไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงฤทธิ์ในหมู่มนุษย์เราเป็นมเหสีนารีรัตของพระเจ้าเจ้าจัาจากรพรรดิผู้มีรัตนะเจประการนะเป็นมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยหลายครั้งเหางนกันการสร้างอารามถวายสงเป็นวิหารทานนั้นเป็นเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทิพยสมบัติตามที่กล่าวมาแล้วข้อนั้นเป็นมูลและเป็นความกระเสในศาสนา ันการเจริญกุศลเหล่านี้แล้วตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเอาไว้เนี่ยนะเป็นทั้งมูลและก็เป็นความสุขเป็นความเกษมในในการเข้าถึงศ า, าสนาเลยเป็นเหตุตั้งมั่นพร้อมด้วยธรรมะครั้งที่หนึ่งข้อนั้นเป็นนิพพานสําหรับข้าพเจ้าผู้ยินดีแล้วในธรรมชนเหล่าใดเชื่อพระดํารัตของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญามไม่สามชนเหล่านั้นย่อมกล่าวอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในพบ ครั้นเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดดังนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่รู้คนที่มีปัญญาของพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ตามท่านก็จะกล่าวแบบนี้เหมือนกันหมดคือคือกล่าวถึงทุกถึงโทษถึงภัยแห่งสังสารวัตด้วยแล้วก็กล่าวถึงบุญกุศลซึ่งเกิดจากมูลงงนเนกเกิดจากมูลเกิดจากการสะสมอบรมมานั่นเองนะ ันบุญกุศลที่สะสมมามากๆก็เป็นอุปนิสัยแก่อริยมรรคเกิดขึ้นแต่ว่าอริยมรรคก่อนจะเกิดขึ้นจะต้องเห็นเห็นอะไรเห็นทุกขาริยสัตว์พร้อมทั้งสมุทัยอย่างไม่สงสัยว่างั้นเถอเรียกว่าเห็นอย่างตลอดสายพอที่จะตัดใจได้ถ้าหากว่าสังสารวัตนี่นะถ้าไม่เห็นตลอดสายอย่างไรก็ตัดใจไม่ได้อย่างแน่นอ น, อนก็ทํำยังไงที่จะได้เห็นสังสารวัตรอย่าง ตลอดสายเนี่ยนะทั้งกรรมวัตวิปากวัตรและกิเลสวัตรเนี่ยนะกรรมวัตเป็นเป็นขันได้เท่าไหร่ <c oughs> กรรมวัตเป็นได้กี่ขันเป็นขันเดียวนะสังขารขันวิปากวตรได้กี่ขันวิปากวัตรเนี่ยเป็นนามขันสี่นะถ้าเป็นนามเป็นรูปก็เป็นกรรมชรูปกิเลสวัตรเป็นได้กี่ขัน ขันเดียวสังขารขันเหนะกรร ม, มวัตเป็นอายตนะอะไรธรรมายตนะวิปากวัตรเป็นอายตนะอะไรวิปากวัตรเนี่ยนะผลของอวิบากก็คือผลเนี่ยนะได้ขันห้านั่นแหละใช่ไหมตาก็เป็นผลของกรรมใช่ไหมหูจ ม, มูกเล่นกายกายนี่มีอยู่ส่วนไหนบ้างนะ ก า, า ก, ากายเนี่ยซึมซาบอยู่ทั่วกายเนี่ยแหละกายนี่ซึมซาบอยู่ทั่วร่างะนะเพราะนั้นถ้าใครพิจารณากายยัทวาลเนี่ยนะโอโหคนนั้นเก่งมากเนละอาการ3 2มเรียนไม่ยากเห็นไะหถ้ารู้กายยัทวาลจริงๆริงใช่ไหมถ้ารู้กายยัทวาลดีจะรู้โพธพารมโพธพาลมมีสมุทรานสมุทรานเท่าไหร่เนนะีโพธพารมมีสมุทรานสนะทั้งกรรมจิตอุตุและอาหาร จิตที่ทําให้เกิดโพธารม์มีเท่าไหร่จิตที่ทําให้เกิดโพธะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจิตที่ทําให้เกิดโพธภาะเว้นทวิปัญจะนะถ้าธรรมดาแล้วเว้นทวิปัญจะเท่านั้นเองที่ไม่ทําจิตตชรูปใช่ไหมแต่ถ้าเกี่ยวกับอิรยาบทและจิตยี่สิบดวงถ้าของพวกเราเนี่ยนะที่ทําให้ โพธาภะนะนะอย่างเช่นแม้แต่กระพริบตานี่นะโพธาพะที่เกิดขึ้นในขณะกระพริบตานี่ก็ต้องดูว่าขณะนั้นเนี่ยจิตเป็นจิตชนิดไหนแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนะทางมโนทวารวิถีนะที่ทำที่ทําพวกกายกรรมและวจีกรรมเนี่ยนะที่ถึงกับพูดถึงกับการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะเน้นปัญจ ะ, ะเน้นชาวนาทาง มโนทวารวิถีเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราคิดหนึ่งเรื่องเนี่ยนะก่อให้เกิดโพธะได้อย่างมากแม้กระทั่งคำพูดเนี่ยนะที่พูดหรือลิ้นก็ตะวัดไปแตะวัดมาใช่ไหมก็เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานจิตที่เป็นสมุทฐานทำให้เกิดการพูดเนี่ยแล้วแต่ว่าขณะนั้นคิดถึงอะไรอยู่ก็จะทำให้โพธะนั้นนั้นก็เกิดขึ้นตามแต่จิตนั้นๆซึ่งมีอะไรเป็นอารมณ์อย่างขออมาพูดเนี่ยอารมณ์มากจริงนะ คิดเรื่องนั่นเรื่องนังน้ น, น, นสลับกันยุ่งไปหมดเลยนะวเวลากรรมจะให้ผลมันมันไม่ยุ่งหรือเปล่าด้วยหรือเปล่ามั mm ้เนาะกรรมให้ผลคงจะยุ่งแบบนี้มากเนาะทั้งเห็นทั้งได้ยินเนี่ยสลับกันไปน่าดูเลยเนยุ่งจริงๆเลยไหนไเน้พุ่ง น, นี้ปิดเทอมแล้วพุ่งนี้ปิดแล้วใช่ไหมอ้าพุ่งนี้ปิดแล้ว อาพรุ่งนี้มาอีกวันหนึ่งมาปิดพรุ่งนี้มาปิดเวลามันจบแล้ว <laughs>